ล อ, อ, อกขวัติพระธรรมกายปลาย ป, ายปีสองเจ็ดอายุยียุ20ปีขวัตเพราะอยากนั่งสมาธิและอยากเรียนหนังสือเก่งๆพอมาขวัตก็ทาให้ได้รับความรู้ว่าสมาธิไม่ใช่เพียงเอาไว้อ่านหนังสือเท่านั้น แต่ยังสามารถกระทึงพระธรรมกายภายในตัวและหมดกิเลสไปนิพพานได้มาวัดบ่อยๆก็ติดใจชอบเพราะคนในวัดก็ดีพระก็ดีอาหารก็ดีหลวงพ่อก็เทศดีจึงมาต่อนเนื่องจนบัดนี้ทาบุญทุกบุญกับหลวงพ่อไปเคยขาดเกือบ19ปีแล้ว<า>ได้รับฟังฝันได้ฟังเป็นประจำชอบมากครับโดยเฉพาะเคสตดี ผมเกิดในตระกูลชาวนาพ่อแม่ทำนาแต่ผมทำนาไม่เป็นเ <c oughs> พราะเรียนหนังสือมาตลอด <c oughs> แม้เกิดในตระกูลชาวนาผมก็ภาคภูมิใจ <c oughs> ที่พ่อแม่พี่น้องรักใกล่ผมเกี่ยวกันดีจะมีทะเลาะกันบ้างก็เป็นธรรมดา <c oughs> พี่ชาคนหนึ่งเป็นคนที่รักพ่อแม่พี่น้องมากรักคนในครอบครัวแต่ไปเป็นคนเกเรประจำบ้านคอยทําให้พ่อแม่ต่างเสียเงินและเหนื่อยใจอยู่เสมอ กินเหล้าและสูบบุหรี่เป็นประจำ oh. ตอนสมัยวัยรุ่นกับไปยิงคนตายพี oh. ่ชายอายุ34ปีวันหนึ่งกินเหล้าเมาขับรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุไปตกถนนกระโหลกศีรษะร้าว oh. พาไปสมมโรงพยาบาลหมอพยาบาลคิดว่าเมาเหล้าไม่เป็นอะไรก็เลยปล่อยให้นอนเฉย oh. โดยไม่ได้ทำอะไรตั้งแต่สามทุ่จนถึง8ดโมงเช้า oh. ยังไม่ตื่นก็รู้สึกผิดปกติ เพียงเปรีย่ยไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมอให้เข้าห้องไอซูและเตรียมผ่าตัดผมไปเฝ้าไข่และเห็นพี่ชายมีอาการหายใจแรงผิดปกติและข้อเท้าเริ่มแข็งตัวขณะที่ผมนั่งอยู่ที่ปลายเตียงสักครู่มีปฐมพยาบาลเข็นเตียงผู้ป่วยชายรายหนึ่งเข้ามาในห้องซึ่งเขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่กระร้องตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าเอาปืนมาเอาปืนมา พร้อมกับทาท่านเหนี่ยวกลปืนไปทางปลายเท้าของพี่ชายผม oh. ตรงใกล้กับบริเวณที่ผมนั่งอยู่กับน้องสาวเลยถามพยาบาลเขาก็บอกว่าน่าจะมีอาการทางจิตแต่ผมมีความรู้สึกด้วยตนเองว่าคนป่วยคนนั้นน่ะน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงปลายเตียงของตนและพี่ชายผมมากกว่า oh. ผมยังไปแอบยืนอยู่ตรงข้างปลายเตียงผู้ป่วยนั้น นึกถึงหลวงปู่และบุญที่สร้างมหาธรรมกายเจดีแผ่เมตตาสองสามนาทีสักครู่เขาก็ลดเสียงลงแล้วก็มือลงหันมาทางผมพร้อมกับพูดว่าเทวดา oh. ผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้หลายปีมาแล้ว oh. หมอได้ทำการผ่าตัดกระโหลกศรีรษะของพี่ชายแล้วก็ได้บอกว่ามาช้าไปได้ใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ให้แลวบอกว่าต้องถอดออกเพราะพี่ชายไม่อาจจะรอดได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นบาปไม่อยากพี่ชายต้องมาโดนพี่น้องถอดเครื่องช่วยหายใจออกจะให้พยาบาลถอดแทนเขาก็ไม่ทำํำในที่สุดพี่ชายคนโตก็เป็นคนถอดเครื่องหายใจนั้นแล้วก็ได้สิ้นลมหายใจรวมอายุได้สามสิบสีปีตลอดชีวิตพี่ชายรักษาศีลหไม่ได้แม่แต่เพียงขาอดเดียวเป็นหนี้เป็นศีลนับล้านบาทบและตายโดยที่ยังไม่ได้ใช้หนี้และมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนวัยรุ่นผมก็พี่ชายเคยเอาปืนไปยิงนกกระยางที่กลางทุ่งนา พี่ชายยิงครั้งแรกยังไม่ตายโดนปีกหักจึงได้ไล่ตีจนตายแล้วก็เอาไปกินต่อมาอีกหลายปีผมเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วกระดูกไหปลาร้าหักต้องนอนอยู่กับบ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนพี่ชายคนนี้เสียชีวิตผมเคยพามาวัดพระธรรมกายและร่วมทมําบุญกับหลวงพ่อที่ศาราดุสิตหนึ่งครั้งหลังจากพี่ชายเสียชีวิตได้หเดือนพ่อก็มาเสียชีวิตตามไปอีกตอนอายุ68ปี ด้วยโรคตับแข็งพ่อจะชูแล้วกินเหล้าเป็นประจำทุกวันนับเป็นเวลาสิบสิบปีเวลาพ่อกินเหล้าเมาก็จะทะเลาะกับแม่เป็นประจำทุกค่ำคืนทำให้ลูกไม่ชอบพ่อและไม่ถูกกับพ่อแต่ใจสุดฤกก็ยังคงรักพ่อและเป็นห่วงพ่อเสมอตอนป่วยในห้องไอซียผมเข้าไปนวดแข้งนวดขาให้พ่อพ่อถึงกับน้าตาไหลพ่ออยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็ตาย โซ่พ่อเป็นปกติยกเว้นใบหน้าเท่า น, นั้นที่รู้สึกว่าดำมาก<อ>พี่ชายคนโตคนที่ถอดเครื่องช่วยหายใจให้น้องชายก็เป็นคนเจ้าชู้และกินเหล้า<อ>สุบูรีอยู่เป็นอาจินไล้มันก็มีภรรยายน้อยแต่ล้มป่วยลงหมอบอกว่าเป็นโรคเนื้อสมองตายบางส่วน<อ>และมีอาการเปลี่ยนไปจากพูดปกติก็พูดช้าลงเดินช้าลงแต่ก็ยังคงไปหาภรรยายน้อยอยู่เป็นประจำโอ้ก็คงรักกันมากกันเนาะ แม่ของผมขณะนี้อายุ74ปีได้ป่วยได้โรคตัวเหลืองไม่มีแรงกินข้าวกินข้าวไม่ได้ไปหาหมอตรวจแล้วก็ว่าเป็นเบารงที่ตับผมและ น, น้องๆก็ช่วยกันปิดบังไม่ให้แม่และคนอื่นๆรู้เพราะเกรงว่าแม่จะหมดกำลังใจหลังจากผ่าตัดแล้วแม่อาการดีขึ้นเป็นปกติเคยมาวัดพระธรรมกายสองครั้งทำบุญสร้างพระให้ลูกชายสองคนของแม่ผมทาให้ แม่เป็นคนที่เข้าวัดและสวดมนต์เป็นประจำไม่จะเข้าห้องผ่าตัดแม่จะภาวนาสัมมาอรหังตลอดแม่ทำบุญง่ายๆเสมอเมื่อผมไม่บอกบุญพี่ชายคนที่ตายตอนอายุสาสิบปีตายแล้วไปไหนจะมีกา ร, รจากนี้สินที่ก่อไว้แล้วยังไม่ได้ใช้คืนอย่างไรทำไมจะมาเกิดร่วมบ้านมีคนรักพี่น้องพ่อแม่แต่มักทาเรื่องปวดหัวให้เป็นประจารักแบบไหนก็ไม่รู้น การที่พิชายคนโตไปถอดเครื่องช่วยหายใจออกจะบาปไหมครับพิชายคนโตสมองตายบางส่วนเพราะการรมที่ไปถอดเครื่องช่วยหายใจหรือเปล่าพ่อตายแล้วไปไหนทําไมใบหน้าพ่อจึงดํามากตองเสียชีวิตทําไมแม่จึงเป็นบาเรงที่ตับและโดนผ่าตัดที่หน้าท้องตามแนวขวางยาวมากทําไมชายผู้ป่วยที่ผมบุติธบุญให้จึงพูดคําว่าเทวดา ก, การที่ผมประสบอุติเหตุหายปาราหักเพราะกรรมที่ไปทำกับ น, นกกระยางล่วงกับพิชายหรือเปล่าครับ<อ>ทําไมผมจึงเกิดเป็นลูกชาวนาะ แต่มีคนมดปถัมตลอดทั้งรเรื่องการเรียนการงานการเงนิง น, งนแล้วทำไมผมมักได้ของมือสอง โ, อ โ, อโชคดีที่ยังไม่มีภรรยาถ้ามีคงได้มือสองอีกจิงอธิษฐานว่าเขาจะเด็แต่งงานเลยตลอดชีวิตโอสาธุแล้วว่ากลัวจะได้ยุสคา<อ>ไม่พี่ชายตายอายุสามสิบสี่ปีมีคตินิมิต ด, ดามืดไม่มีสติ เหมือนหลับแล้วไปตื่นในมหานรกขุมหา้าที่มืดมิดทธนธันทีมีกายที่ผอมดำใหญ่ปานภูเขาได้ถูกในนิริบาลจับตรึงเอาไว้และโดนกรอกน้ำกรอกสีดำทรมานอย่างนี้ไปก่อนในตอนนี้แล้วก็จะถูก ท, ทรมานอย่างอื่นซึ่งผิชายทำผิดสีนั่งห้าขอเลย จะต้องท่องเที่ยวในมหาเนโลกอีกยาวนานรวมทั้งต้องไปลงในขุมการพนันอีกคือขุมที่หกโ อ, โอ้อีกยาวเลยแหละเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คือหลังจากพ้นเนรลกมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามใช้หนี้ที่ตัวยังไม่ได้ใช้ในชาตินี้บุญที่อุทิศไปให้ก็ยังไปไม่ถึงต้องคอยในยมโมลกที่ชายเคยทาบุญบาปร่วมกันมาจึงมาเกิดในครอบครัวเดียวกัน แต่ดวงบาปในตัวของพี่ชายโตมากจึงทํานําแต่เรื่องปวดหัวมาให้ก่อนมาเกิดกระเพิ่อมเกิดมาจากมหาโรกแล้วก็ไปเกิดตามขั้นตอนได้ไปเกิดในอุสะละละุธนรกยมโลกเปรตสติลจานแล้วก็มาเป็นกายสมภเวสี oh. มาเกิดในคันมานดา oh. ในชาตินี้เพ ร, ราะขาดกัลยะาณมิตรจึงไปครอบคนุผ่านและทําแต่สิ่งที่ไม่ดี oh. ต้องย้อนกลับไปสู่วงจรเดิมอีก พ่อตายอายุหกบแปปีนี่ฝันนี่ฝันนะฝันไปคืนหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะครับเลื่อยเปื่อยกันไปอย่างนั้นฟังเพลินเพลินกันเลยกันเชื่อก็ได้ไปเชื่อก็ได้พ่อกินเหล้าเจ้าชูแล้วผิดศีลทุกข้อเหมือนลูกชายก่อนตายคตินิมิตก็ดำมืดจิงดำดิ่งไปในมหานรกขุมห้าทันทีแล้วก็ไปโดนทันทรมานแบบลูกชายอยู่แถวเดียวกันจะต้องทุกข์ทรมานไปอีกนาน ที่หน้าดำก่อนตายเพราะบาปกุศลที่ทำเอาไว้ทำให้เห็นกนตินีมิตร่มืดดำและใจสมองมากกอบกิาอาการป่วยไข้าจากตับแข็งไม่ได้ไปโดนของอะไรมารแม่ที่ถูกผ่าตัดเพราะกรรมในอดีตกับปัจจุบันที่ขาาสัตว์ทำอาหารจ้ะส่วนชายผู้ป่วยที่พยาบาลบอกว่ามีอาการทางจิตทำท่าเหนี่ยวไกลไมายังปลายเตียงของพี่ชายเพราะเขาเห็นกายละเอียดที่เป็นสัมภเวสี มายืนอยู่ oh. ก็คือผู้ที่พี่ชายไปยิงตายอ่ะค oh. ตายก่อนที่จะหมดอายุขายจริง oh. คือการเก่ามาตัดรอนแล้วก็ผูกเวงกัน oh. แล้วก็มาโดนยิงตาย oh. ตอนนี้ oh. เมื่อยังไม่ถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มา oh. ตามพี่ชายมาตลอดเลย oh. แต่เขยังไม่ได้จังหวะ oh. พอมาตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียง ว่าผู้ป่วยทางจิตมนมองเห็น oh. ก็เลยทำท่าจะยิงปืนแล้วพอเจ้าของเคสนี่ไปยืนที่ปลายเตียงของชายคนนั้นแล้วแผ่เมตตา oh. ทำให้กายสัมภเวสีนั้นนะ่หายไป oh. แล้วก็ชายคนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเจ้าของเคสซาดดี้เนี่ยเหมือนเทวดามาปโปรดทำให้อีกคนที่ไม่่อยสวยนั้นเนะ่ย oh. กายสัมภเวสีนั้นมันหายไป การที่ลูกประสบอุบัติเหตุกระดูไข่ปราระหัส ก, ก็เพราะไปทำกรรมร่วมกับพี่ชายจริ ง, รงๆนั่นแหละ<อ>คือไปยิงนกกระยางนั่นแหละห<ร>การที่มาเกิดเป็นลูกชาวนานนั้นก็คือชาติในอดีตเคยเกิดเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หมีความมั่นใจในตัวเองสูงจึงมีมานาทิฐิมาก<อ>และมาเข้าหมู่คณะของเราเนี่ยตอนอายุมากจึงมีความถือตัวเวลาฟังทาจากภิกษุหนุ่มก็มักจะคิดว่าพระเด็ก ก็เลยไม่คารบในธรรมไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมเพราะเห็นว่าเป็นพระเด็กเมื่อจะทำทานในช่วงแรกๆที่ทำบุญกับหมู่คณะมักจะนำของที่ใช้แล้วมาถวาย oh. เพราะฉะนั้นเลยทำให้มักจะได้ของมือสอง oh. ของที่ใช้แล้ว oh. ตามที่ประกอบเหตุเอาไว้ oh. <Wow. S 2> แต่มาในภายหลังในชาตินั้นในภายหลัง oh. เข้าใจหลักวิชาในการทาบุญ oh. ก็เลยทาได้ถูกหลักวิชา แล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อมนุษย์บุญนั้นจึงได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือในปัจจุบัน oh. ต่อมาเมื่อเข้าใจหลักวิชาการดีแล้วทําบุญจึงอธิษฐาน oh. ขอได้มาสร้างบา ร, รมีตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มไม่ oh. มให้เข้ามาช้าในวัยแก่เหมือนชาตินั้น oh. จึงทําให้ชาตินี้มาสร้างบา ร, รมีตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา oh. อย่างนักศึกษาที่มาขาวัดครับ oh. แต่ที่อธิษฐานว่าจะได้แต่งงานตลอดชีวิตนะี่ยังไม่พอ oh. ต้องตัดใจเลย oh. ไม่แตง่ง ไม่แต่งไม่แต่งทองมันทุกวันไม่แต่งไม่แต่งสีสาขาดหัวเด็ดสีสาขาดไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งทองอย่างนี้ไปจนตายเลยแล้วก็อย่าแต่งนะลูกนะจะได้เตรียมกุฏิเอาไว้ให้